วันนี้มาพูดกันถึงเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกจะรำคาญเต็มทีไหมที่ทำไมไึงชอบพูดแต่พูดเรื่องเดียวทั้นนี้ก็เพื่อความเข้าใจกันท่านผู้รับฟังว่าที่โลกมีพระพุทธศาสนาขึ้นมานี้ไม่ใช่ว่าเป็นของไรประโยชน์ พระพุทธเจ้าทรงช่วยโลกให้มีความสุขแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ชาวโลกไม่เคยยอมรับนับถือความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าถ้าโลกจะมีความสุขโลกชาวโลกทั้งหมดจงรู้จักยอมรับนับถือความดีของท่านผู้มีคุณ สำหรับท่านผู้มีคุณทั้งหมดอันดับแรกก็ได้กับพ่อแม่รองมาลมาก็คืูบาอาจารย์รองลุมาก็ท่านผู้ให้ความอุปการะสร้างคนทุกคนรู้จักความดีของท่านว่าท่านเคยให้การเกื้อนหนุนเราให้มีความสุข ให้มีชีวิตขึ้นมาได้ให้มีวิชาความรู้บรรเทาความทุกข์ที่เราบันเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> เราก็พายกันยอมรับนับถือความดีของท่านสำหรับบิดามันดาในวัยก่อนได้พูดพาดมานิดหนึ่งในด้านความกตัญญูรู้คนบิดามันดานี่ความจริง ท่านมีคุณแก่ลูกมากแต่ถ้าว่าบรรดา ล, ลกูกบางทีอย่าลืมคุณของท่านสิกนไดเคยได้รับความฟังมาบ่อยๆว่าลูกมีความอากตันโยไม่รู้คุณท่านแม้แต่เรื่องเล็กน้อยบางทีการแบ่งปันทรัพย์สินมีที่ดินที่มีที่ไม่สม่ำเสมอกัน แต่เรื่องของที่ดินนี่พื้นที่จะให้ราบเรียบเสมอกันก็สามารถจะทำได้ในปัจจุบันแต่ถ้ว่าในสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องทุนแรงทำไม่ได้เพียงแบ่งไปกันว่าคนนี้ได้ตอนนี้คนนั้นได้ตอนนั้นเพียงเท่านี้ลูกทรพีที่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ ก็กลับจงจับโจมตีบิดามารดาว่าไม่มีความยุติธรรมนี่ลักษณะของความเร็วอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอยาคบคนที่มีความประพฤติเร็วแบบนี้ไม่ควครคบถ้าไปคบเข้าเราก็จะเรวไปด้วยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งยาคบอารมณ์ของความเร็วอย่างนี้ไว้ในใจ เขาไปกล่าวว่าพ่อแม่อัคตันพ่อแม่อัคติไม่ยุติธรรมไม่มีความรักลูกรักไม่เสมอกันความจริงคำว่ารักไม่เสมอกันนี่ยังมีใช้คำว่ารักแต่มีหลายท่านบอกพ่อแม่ใช้ไม่ได้เป็นคนไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าแบ่งปันทรัพย์สินก็ไม่สม่ําเสมอกันก็พื้นที่ดินนิทัน จะทำให้มันเสมอกันได้ยังไงแล้วก็ไปนั่งดูความดีของพ่อของแม่ถ้าเราจะไปคิดว่าทรัพย์สินภายนอกที่พ่อแม่ให้ไม่สม่าเสมอกันพ่อแม่ท่านไม่ดีก็จงมองดูเสียใหม่มองดูว่าร่างกายของเรานี่เราได้มาจากใครที่เราเกิดมานี่เรารักร่างกายของเรา รักมากกว่าพ่อรักมากกว่าแม่รักมากกว่ า, าสามีและพัญญารักมากกว่าบุตรที่เราได้มาจากใครถ้าจะบอกว่าพ่อแม่ท่าไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดเราก็เกิดมาก็าต้องขอประทานโทษว่าถ้ารู้ว่าเขาไม่ต้องการให้เกิดเราเสือเกิดมาทําไมเสือเกิดไม่ชาบ้านเขาเดือดร้อน ถ้าบอกว่าท่านไม่รักถ้าาว่าท่านไม่รักจริงๆมันเป็นของไม่อยากออกมาจากท้องพ่อท้องแม่หรือไ่อยู่ในท้องท่านแกล้งทาแทงแล้วเราก็ตายออกมาแล้วถ้าไม่ท่านไม่ช่วยเหลือในสมัยที่เราช่วยเหลือตัวเราเองไม่ได้เราก็ตายถ้าไม่ให้วิชาความรู้เราก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ การที่ท่านต้องประคับประคองเรามาตั้งแต่อยู่ในคันมารดามีความลำบากต้องอดอยากทุกอย่างเพื่อลกูกธนุธนน้อมกายทุกอย่างเพื่อลกูกก็มีความรักในลกูกเมื่อมารดามีคันแก่หนักทางานไม่ไหวท่านพ่อคือบิดาก็ต้องทำงานเพิ่มเติมเมื่อจะคลอดแต่ละคราวมารดาเกือบจะต้องเสี่ยงชีวิต พ่อก็ต้องเสียทรัพย์สินไปอย่างหนักมันลูกออกมาแล้วความลาบากของพ่อของแม่นับตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กกินไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนนอนกําลังจะสบายลูกตื่นขึ้นมาร้องจ้ามาไร่บิดามารดาเขาต้องตื่นแต่ลูกป่วยไข้ไม่สบายบิดามันดาก็มีความเดือดร้อนช่วยทุกอย่าง เวรนนั้นว่าบิดามานดาเสียสละชีวิตของตัวเพื่อลูกได้ทรัพย์สินทั้งหลายถ้าว่าท่านไม่มีลกูกท่านก็ใช้กอท่านตามสบายพอมีลูกเข้ามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะทำไว้เพื่อลูกทั้งหมดต้องเหน็ดเหนื่อยด้วยการทั้งปวงและมัดระวังทุกอย่างการให้การศึกษาแก่บุตรก็ดิน้นรนโนเรียนไหนดี ไม่ต้องการไปโรงเรียนนั้นพานะไม่มีจัดหาค่าภานะไม่ดีไม่ดีก็ต้องซื้อรถยนต์ให้เสียเงินเสียทองในการให้การศึกษาแก่ลูกแก่เต้ามากเท่าไร่บิดามันดาไม่เคยบน่นรี่ว่าเวลาที่ลูกเกิดขึ้นแล้วหนึ่งคนสองคนคิดว่าทรัพย์สินที่มีมีนี้มันไม่พอก็ต้องหาสร้างต่อให้มันมากเกรงว่าลูกจะลําบาก สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นความเหน็ดเหนื่อยของบิดามารดาเสียสละทุกอย่างเพื่อลกูกเพราะ น, น, นาพูดกันง่ายๆเบาๆไม่ต้องพูดกันมากถ้าเราเองเป็นพ่อเป็นแม่เขาท่านลูกมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างเราจะมีความรู้สึกว่ายังไงจะมีความพอใจไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําว่าท่านลูกจะเป็นสุข ก็ต้นลูกจะต้องมีความกตัญอูรู้คุณที่บิดามันดาทำหน้าที่ของตนเรียบร้อยแล้วสนองตอบแทนบุญคุณท่านจงย่าสร้างความสะเทือนใจให้เกิดขึกับท่านแต่ว่าท่านไม่มีทรัพย์สมบัติท่านหลายมอบให้ให้เลยไปทราบภายนอกก็ต้องคิดว่าชีวิตของเราละเลือดเนื้อทั้งหมดเราได้มาจากไหนได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของท่าน แ่ถือว่าการเกิดมีดามันดาไม่ได้สนใจแต่ว่าเกิดมาแล้วท่านสนใจความดีของท่านตอนนี้จะไปทิ้งไว้ที่ไหนคนประเพคอากตัญยูไม่รู้คุณคนแบบนี้สมเด็จพระจินทร์ศีบอกว่าเป็นคนเลวจงอย่าครบถ้าเราเข้าไปครบเมื่อไรเราเองก็ต้องูตอบสนองแบบนั้นเช่นกัน พออะไรเพราะว่าเขาก็จะแบกความเลวอันนั้นแหละมายกพยอปอปั้นให้แกเร า, าแม้แต่พ่อแม่ให้ชีวิตของเขาเขาก็ยังสามารถที่จะทิ้งได้ย่าลืมได้ถ้าเราเป็นคนภายนอกไม่เคยให้ชีวิตและเลือดเนื้อของเขาเขาจะมีความกระตันอยู่รู้คนของเราได้ยังไงข้อนี้ขอมันดนาท่านนหลายใครส่วนให้มาก ว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแนะนําเรานะี่ยมันควรไม่ควรเพียงใดนี่ประการหนึ่งรายการที่สองท่านบอกว่าจงยอมรับนับถือคนดีผู้มีอุปการะหรือว่าที่บาลีกล่าวว่าจงบูชาบุาคคลที่คนบูชาคําว่าบูชานี่แปลว่า ย, ยอมรับนับถือ พ่อแม่ทุกคนหวังดีต่อลกูกแนะนำทั้าสอนลูกให้มีความสุขถ้าว่าลูกไปมีความทุกข์สร้างความระทมเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่หรือว่าไปมีโทษจะต้องติดคุกติดตา ร, รางพ่อแม่ก็ทนไม่ไหวต้องวิ่งไปหาทางช่วยเหลือคนประเภทนี้เราต้องยอมรับนับถือท่านเาท่านเป็นคนดี ทำทุกอย่างเพื่อท่านเพื่อท่านจะได้มีความสุขคําบูชานี่ยเรายอมรับนับถือไม่ใช่ไม่ใช่ทูบเทียนไปจุดบูชาไม่ใช่อย่างนั้นนี่ถ้าจะมีคําถามถามเข้ามาบอกว่าถ้าพ่อแม่ของเรากลายเป็นโจรเราควรจะยอมรับนับถือท่านไหมถ้ายอมรับนับถือท่านก็ท่านเราก็จะกลายเป็นโจรไปด้วย แต่ความจริงการยอมรับนับถือเราต้องยอมรับนับถือจะถือว่าการคบหาสมาคมกับโจรเป็นความชั่วนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่านี่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเมื่อท่านเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเราไม่ยอมรับนับถือท่านจะยอมรับนับถือใครถ้าจะถามก็ไม่ก็ว่าถ้ายอมรับนับถือท่านเราก็ต้องกลายเป็นโจร อันตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว้เลือกนับถือเลือกบูชาเฉพาะในกิจในฐานะที่ท่านเป็นบิดามารดาอย่าไปนับถืออย่าไปบูชาในฐานะที่ท่านเป็นโจรตอนนี้ก็สร้างความยุง่งมันยุ่งแล้วสิพ่อแม่เป็นโจร แต่เรายอมนับถือท่านในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่แต่ไม่ยอมรับนับถือท่านในฐานะที่เป็นโจรเราจะทำยังไงวิธีทำมันก็ไม่ยากว่าท่านเป็นพ่อเราท่านเป็นแม่เรายอมรับนับถือยอมกราบยอมไหวในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่ในฐานะเป็นโจร ท่านป่วยไข้ไม่สมบายเราก็เลี้ยงดูท่านเราก็ให้อาหารท่านประคบไปปฏิบัติพยาบาลท่านในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่เรายอมรับพับถือแต่เพียงในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่เท่านั้นสําหรับตอนที่ท่านเป็นโจรท่านไปปล้นกับใครเราไม่เอาด้วยเราไม่ยอมปล้นเราไม่ยอมลักเราไม่ยอมขโมย แสดงว่าถ้าว่าท่านมีความต้องการด้วยอาหารเราให้อาหารท่านต้องการในยารักษาโรคเราให้ยารักษาโรคเราท่านต้องการในการปฏิบัติเพื่อความอยู่เป็นสุขของท่านเราทํและยกล่าวคำตอบไปว่าไม่มีการสนับสนุนโจรหรือก็บอกว่าไม่ใช่นี่เป็นการกระตันยูแต่พ่อแม่ผู้มีคุณเราไม่ได้เป็นโจรด้วยเพราะเราไม่ใช่โจร ไม่ท่านหนึ่งก็ครูบาอาจารย์เคยพบบรรดาคณะอาจารย์บางท่านมาสมัยหนึ่งท่านบอกว่านักเรียนนักศึกษาไม่ไหวเลยเห็นหาว่าครูบาอาจารย์เป็นท่านของรัฐบาลบ้างเป็นทัดการเงินการทองบ้างเป็นลูกจ้างสําหรับในการมาสอนบางเมื่อฟังแล้วก็รู้สึกว่าสลดใจ ลักษณะอย่างนี้องค์สมเด็จไปจอมไตรบอกว่าไม่ใช่แดนของความสุขโลกนี้ความมีความทุกข์ท่านบอกว่าถ้าเรากร้รยอมรับนับถือพ่อแม่ปฏิบัติให้มีความสุขเราต้องเป็นผู้ดีจะไปทําไหนอาศัยความกตัญญูรู้คุณเขามีดามาันดาเป็นปัจจัยจะเป็นเสน่ห์คนหลายรัก ไปที่ไหนก็มีคนอยากคบหาสมาคมเพราะเราเป็นผู้รู้คุณเขาสําหรับครูบาอาจารย์ท่านจะเป็นลูกจ้างใครท่านจะเป็นท่านรับใช้ของใครก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าเราก็บูชาท่านตอนหนึ่งตอนที่ท่านหวังดีกับเรากอให้ความรู้กับเราถ้าว่าท่านถือว่าท่านอยู่ในฐานะเป็นลูกจ้าง ก่านสอนอย่างในฐานะทนับจากเขามาสอนมีหน้าที่ก็สอนไปนักเรียนนักศึกษาจะรู้อะไรหรือไม่รู้ไม่สําคัญเป็นอนวุวาไม่สนใจมีหน้าที่สอนกี่ชั่วโมงก็สอนเท่า น, นั้นสอนแล้วเด็กจะรู้เรื่องหรือไม่รู้ก็ช่างถึงเวลาก็กลับบ้าน อย่างถ้าครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ถือว่าท่านทําหน้าที่เฉพาะในการเป็นลูกจ้างจริงๆหรือเป็นทา้ทาวประธาตรับใช้ถ้าครูบาลอาจารย์ท่านใดสอนจําชี้จําใช้เราไม่รู้พยายามให้รู้ดีไม่ดีสอนบ่อยๆแล้วเราทําไม่ได้จะลงโทษให้การลงโทษกับท่านไม่ใช่ทําด้วยการาคาด ทำด้วยอาการลักษณะที่เรียกว่าต้องการให้เราเป็นคนมีความรู้ต้องการให้เราเป็นคนดีถ้ า, าการอย่างนี้ปรากฏขึ้นเราก็ต้องบูชาท่านตรงนี้บูชาตอนที่ท่านสนใจให้เรามีความรู้ไม่ใช่ว่าจะไปนั่งบูชาในฐานะที่ท่านเป็นอะไรต่อเรา หรือว่าจะเป็นนั่งบูชาในฐานะที่ท่านเป็นขี้ค่าของไขเป็นท่าของไขรท่านจะเป็นท่าของไข่ท่านจะเป็นูุจริของไขง่เราจะไปสนใจสนใจอย่างเดียวว่าความรู้ใดๆที่เราไม่มีแต่ครูบาอาจารย์สอนให้ต้องถือว่านั่นเป็นความดีของท่านยอมรับนับถือยอมเคารพร บ, ร บ, รบนอกท่านในฐานะผู้ให้ความรู้ ถ้าหากว่าเราเองเป็นคนสอนตั้งใจสอนถ้าเราเองเป็นพ่อแม่ตั้งใจเลี้ยงลูกถ้าลูกทำอย่างนั้นเราจะมีความรู้สึกอย่างไรคืออักตันโยไม่รู้คุณหาว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจสร้างให้เกิดหาครูบาอาจารย์มาจ้างเป็นแค่ครับเพราต้องการคําสอนอย่างนี้ความสะเทือนใจมันก็มีกับเขาถ้าเรายอมเขาถ้าเขายอมรับนับถือเราเคารพเราเราก็มีความสุข ดางนั้นพระพุทธจ้าจึงได้ส่งแนะนำว่าอารมณ์ใจอย่างนี้จงอย่ามีแก่คนทั้งโลกให้รู้จักบูชาคุณความดีให่ยอมรับนับถือความดีเขาพวกคนผู้มีควา ม, วาม ด, ามามดีต่อจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นคนทุกท่านจะเป็นใครก็ตามที่เขาสามารถเกื้อกูลเราให้มีความสุข ถ้าเราไม่มีอาหารเขาให้อาหารกินเราไม่มีผ้า น, นุ่งเจอหม่มเขามีมีผ้า น, นุ่งผ้ห่มเ้ า, ามาให้เราไม่มีค่ายอดยานพานะเขาจ่ายให้ได้อย่างนี้เราจะมีความสุขเราจะมีความทุกข์ในเมื่อคนมีคนบัคขบกรเราเราก็มีความสุข ทีบิ๊กของเราจะทรงขึ้นมาได้เพราะสายเกือการเกือกลวงกนานหลายเหล่านี้แต่คนประเภทนี้เราควรบูชาไหมคาว่าบูชาหมายถึงการยอมรับนับถือเราก็ต้องบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องตัวอย่างคนที่เป็นยอดกตันอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาคือท่านพระสารีบุตร เวลานั้นท่านราธาพรามท่านเป็นฆราวาดเป็นคนแก่มาอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าสามปีองสมเด็จพระเินาศีทรงทราบแล้วก็เฉยเฉยแต่วันนี้สามเห็นความดีของราธาพรามที่จิตใจเข้ามาคบหาสมาคมกับพระมีจิตชุ่มชื่นไ่ได้ทำเห็นว่าจะบรรลุมรรคผล องค์สมเด็จพระทศพลยังได้ทรงสเสด็จตามไปสมเสด็จไปบริเวณรอบๆอบวิหารพระบรรดาพระทั้งหลายก็ตามไปเมื่อราท้าพร์เวลานั้นเอาข้าวล้างบาตรตอนเย็นล้างบาตรตามน้ําล้างมาเทพระ่อพระเดจ้าเห็นเข้าวยังหยุดถามว่าพราหมณ์าอยู่ได้ยังไงความจริงทันทาบ พรามก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแก่ลูกหลานเขาไม่เลี้ยงเขาเห็นว่าเป็นคนแก่ไม่มีที่กินที่อาศัยจึงมาอาศัยพระกินดูดูแต่ลูกหลานของพรานี่มันอักตันโยไม่รู้คนคนจริงๆมันลืมคิดไปว่าทรัพย์สินที่มีในบ้านราท่าพราหมเป็นคนสร้างขึ้นชีวิตและเลือดเนื้อที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยราท่าพราหมเป็นคนสร้าง ถ้าพอราท่าพรามเป็นคุณแก่มันไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงแล้วก็ขับไล่สายส่งออกจากบ้านต้องม า, อาศัยพระพระอาศัยที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีความเมตตามีความสงสารยิงรับราท่าพรามไว้ในอุปการะถ้าลักษณะของท่านโดนข้าแบบนี้ท่านเห็นว่าดีใอชั่วเป็นเรื่องของท่าน เรื่องนี้เราก็ไม่ยุ่งด้วยเป็นเรื่องของท่านก็นแล้วกันถ้าเห็นว่าดีและชั่วมันเป็นเรื่องของท่านตามใจท่านเป็นอันว่าองค์สมเด็จประสงค์ท่านจึงหันไปถามพระว่าใครรู้คุณของพรามนี้บ้างก็มีพระสายยิบดีบดนั่งคุกข่าวรนมมือกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ารู้คนของพรามไปยาค่ะพระพุทธเจ้ายังถามว่าสารีบด พราหมผู้นี้มีคุณกระเธอเมื่อไรพระสารีบุตรจึงไดกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพราหมณ์ผู้นี้มีคุณแก่ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อสามปีก่อนโน้นพราหมณ์ยังอยู่ที่บ้านข้าพระพุทธเจ้าเคยไปบินบบัตพรามนี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้พีนหนึ่งพระเจ้าค่ะ ในนั้นองค์สมเด็จพระสัมมา ส, ม ส, มสั ม, ม, าสมพุทธเจ้าจึงบอกคำภาษ า, ารี่บทเป็นอุปชาบทให้กับรามนี่สำหรับในด้านพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คุณแต่คนที่มีอุปการะแม้แต่ราธาพรามให้ข้าวใส่บาทหนึ่งทัพีองค์สมเด็จพระจินดาสี ที่สอนไว้ว่าทุกคนจะมีความรู้จักความกตัญญูรู้คุณพระสารีบุตรพระทุกองค์ท่านปฏิบัติตามนั้นให้ข้าวทั้พีหนึ่งท่านถือว่ามีคุณเจนนั้นพระสารีบุตรจะไปท่างไหนก็ตามทีจึงเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของมบรรดาพระและประชาชนทั้งหลายว่าพระสารีบุตรนี่เป็นจอมกตัญญูรู้คุณ การไม่ว่าใครแม้ต่รารบพรามหรือไม่ใช่ก็ตามเมื่อใครใส่บาตรให้แก่ท่านสงเคราะห์ท่านให้สถานที่อยู่ที่อาศัยพระารีบุตรไม่ลืมคุณจึงเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไปและความเป็นผู้กตัญญูรู้คุณไม่ลืมคุณคนก็คือเมื่อพระสารีบุตรจะเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนา ได้ฟังธรรมย่อจากพระอัสสชิว่าเจธรรมาเหตุปัะภาวาเตสังเหตุตุงตาถาเขาโตโยนิโรโทจาเอวังวาธีมหาสมณโนซึ่งแปลเป็นใจความชัดๆว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเหตุของธรรมนั้นและความดับของธรรมนั้นสมเด็จพระมหาสมณตรัอยางนี้ ท่านฟังทำเพียงเท่านี้ท่านมีความเข้าใจแล้วก็ตามพระสะารีมามาบทในสนักข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพียงรับคําสอนของพระสารีเพียงเท่านี้ท่านถือว่าพระสารีมีคุณกับท่านถ้าท่านทราบว่าเวลานั้นพระสารีอยู่ทางทิศไหนเวลานอนท่านหันทิศไปในทางนั้น ไม่ยอมเหยียดท้าไปทางที่ครูบาอาจารย์อยู่เป็นได้เพียงทราบข่าวเพราะพระสมัยก่อนไม่ได้อยู่รวมกันเมื่อสําเร็จอรุราคหนึ่ก็ต่างคนต่างแยกกันไปท่านทราบข่าวว่าพระสัชชิโยนทางทิศใต้ท่านนอนหันทิศตะไปทางทิศใต้ถ้าอยู่ทางทิศเหนือก็อนอนหันทิศตะไปทางทิศเหนือและคนทุกคนก็สรรเสริญว่าท่านดีอีกเรื่อการหนึ่งก่อนที่ท่านจะนิพพาน ลูกทุกคนของแม่คือในตระกูลภาษานิบทมมีพี่น้องในการเจ็ดคนทุกคนเป็นพระอาหารหันต์หมดแต่แม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเวลาที่จะนิพพานท่านลาองค์สมเด็จพระจิตตมานปฏิบัติไปนิพพานในห้องที่แห่งเกิดเพื่อหวังจะโปรดมารดา แล้วในที่สุดจะสามารถพูดจาให้คำแนะนำจนระทั่งมารดามีความเลื่อมใสยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรคือได้ประสูดาปฏิพันธนี่จะเห็นว่าพระสาสบุตทเป็นยอดคนผู้ตั้งอยู่ในความกตัญญูรู้บุคคลบุคคลที่ทำมีคน ดันั้นพระสารีบุตรจึงเป็นผู้มีตำแหน่งใหญ่คือเป็นอาคัสาวโกองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไปในแดนไหนก็ตามแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงก็รักท่านเพราะท่านเป็นคนใจดีรู้คุณของท่านรู้คุณคน ค, คนที่จะมีอารมณ์ดีรู้คุณคนนี่ก็ต้องเป็นคนดีมีจิตเมตตา เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่วยโลกในตอนนี้ก็คือว่าจงอย่าลืมความดีของบุคคลอื่นที่ให้เรามีความสุขถ้าเรามีความอากตัอยูไม่รู้คนบคุคคลที่ให้ความสุขกับเราที่ให้ตาแหน่งหน้าที่กับเรากรรมอันนั้นมันจะเผาใจเราเพราะก็รู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีจะไปหาใครก็ไม่มีใครเขาอยากคบ ไม่ต้องการแจกครบรวดเพราะคนที่มีคุณอย่างบินดามัรดาครูบายจานย์ยังอัคตันโยไม่รู้คุณได้ยังทําลายท่านได้ก็เขามีคุณอะไรสําหรับกับเราแล้วเราจะไปดีกับเขาได้ยังไงนิรบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายการช่วยเหลือพระองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธศาสนาช่วยโลกท่านลองช่วยกันคิด ว่าในรูปนี้ที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนำมามันเป็นปัจจัยของความสุขหรือว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์สำหรับวันนี้เรื่องพระศาสนาช่วยโลกก็ต้องจะต้องยุติกันเพราะเวลามันหมดก่อนจะลาก็ขอให้พรแก่ท่านขอทุกท่านผูรรับฟังจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล หากปรารถนาสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุระการสวัสดี